จเจรอพอรท่านผู้มีจิตศรัทธาเป็นความเนื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันสาวที่8สิงหาคมพุทธศักราช2558เป็นวันที่ท่านทลายได้ตั้งใจมาวัดด้วยความศรัทธา ในความด้วยความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเปลี่ยนเป็นเหมือนแสงสว่าง น, นำทางในที่มืดจิตใจของพวกเราตอนนี้เหมือนอยู่ในที่มืดไม่ได้มืดเพราะสิ่งต่างๆรอบข้างแต่มืดเพราะใจถูกความหลงครอบงำเหมือนกับคนตาดี แต่ถูกผ้าปิดตาไว้จึงไม่สามารถมองเห็นอะไรต่างๆได้าตามความเป็นจริงเราจึงต้องอาศัยคนตาดีอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอริยสงสาวกผู้มีตาดีผู้เห็นสุขเป็นสุขเห็นทุกข์เป็นทุกข์เห็นกงจักเป็นกงจักร เห็นดอกบัวเป็นดอกบัวแต่พวกเรานี้เป็นพวกที่ตาไม่ดีถูกความหลงครอบงำอยู่จึงมองไม่เห็นตามความเป็นจริงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่เป็นสุขว่าเป็นทุกข์เราจึงเดินหนีความสุขแล้วก็เดินก้าหาความทุกข์กัน แล้วเราก็ต้องมาร้องโหมร้อง ห, งองห้อุ่นวายใจกันอยู่ทุกวี่ทุกวันเพราะเราไม่เดินตามทางที่คนตาดีย่างพระพุทธเจ้าย่างพระอริยสงสารกเดินกันเราเดินสวนทางกับท่านเราก็เลยเดินเข้าหากองทุกท่านเดินเข้าหากองสุขท่านเดินสูง กองสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงที่ถาวรพวกเราเดินเข้าสู่กองสุขที่เป็นกองสุขปลองเป็นกองสุขที่มีความทุกข์หลบซ่อนอยู่ความสุขเป็นเปลือกเป็นผิวแต่ความทุกข์นี้เป็นเนื้อพวกเรากินแต่เปลือกกันถ้ากินส้ม ก, ก็กินแต่เปลือกเนื้อไม่กิน ถ้ากินทุเรียนก็กินแต่เปลือกเนื้อทุเรียนกินไม่เป็นกันเราก็เลยไม่ได้เจอความสุขที่แท้จริงกันเราไปหาความสุขแบบเปลือกผลไม้ที่มีความทุกข์ซ่อนอยู่ข้างในเราจึงทุกข์กันทุกวันนี้ทุกกับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสุขนั่นแหละสิ่งใดที่เราคิดว่าเป็นความสุข ก็คือลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกิรลดต่างๆพวกเราเวลาได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้เศษ ร, รูปเสียงกิรดิลดต่างๆเราก็ดีอกดีใจกันแต่พอเวลาที่เราไม่ได้เศษความดีใจความสุขใจก็หายไปสิ่งที่มาแทนความสุขใจก็คือความทุกข์ใจ ตาบใดที่เรายัางคิดว่าลาบยศจัลเสรินรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้เป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราตาบนั้นเราก็ยังจะต้องเจอความทุกข์อยู่เสมอเพราะความจริงสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสุขนั้นเป็นความทุกข์ซื้อมากกว่าพระพุทธเจ้าพระอริยสงสารุกทั้งหลาย ท่านได้สัมผัสมาแล้วเหมือนพวกเราท่านก็เคยหลงเหมือนพวกเราเคยชอบเคยอยากได้รากยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายแต่ได้มามากน้อยเพียงไรไม่ช้าก็แล้วก็ต้องสูญเสียไปหรือไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถที่จะใช้มันได้ เวลาเราแก่เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเราตายเราไม่สามารถใช้ลาบยศสารเสริญและความสุขทางตาหูจมูกมิ้นก่ายได้ตอนนี้ร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่เรายังใช้มันได้ขนาดใช้มันได้ก็ยังเจอกับความทุกข์เพราะว่าเราขาดเงินที่จะไปซื้อสิ่งต่าง เวลาเรามีเงินเราก็ดีใจมีมีความสุขอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้อยากจะไปไหนก็ไปได้แต่พอเวลาที่เงินหมดเวลานั้นความสุขที่เกิดจากการใช้เงินใช้ทองก็จะต้องหมดไปเหลือแต่ความทุกข์ทุกข์กับการไปหาเงินใหม่ต้องไปทํานทาการใหม่แล้วพอได้เงินมาก็ใช้มันหมดใหม่ ก็เราก็จะต้องทุกข์อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสารุษทั้งหลายท่านเห็นความทุกข์ในสิ่งเหล่านี้ท่านจึงเดินถอยออกจากการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วก็ไปหาความสุขอีกแบบหนึ่งเรียกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบของใจ ความสุขที่ได้จากความสงบของใจนี้เป็นความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงไม่มีความทุกข์เพราะมันจะไม่หมดไปจากเรามันจะอยู่กับเราไปตลอดหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความสุขที่ได้จากความสงบของใจก็ยังอยู่กับเราต่อไปเพราะใจของเราไม่มีวันตาย สิ่งที่ตายไม่ใช่ของเราร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเป็นของพ่อของแม่ที่พ่อแม่ใช้ดินน้ำลมไฟสร้างมันขึ้นมานดินน้ำลมไฟนี่แหละเป็นเจ้าของที่แท้จริงของร่างกายของพวกเราพวกเราเพียงแต่มาครอบครองไว้เหมือนกับรถยนต์ที่เราซื้อมาแล้วออกมาใช้ ใช้ไปสักระยะหนึ่งมันก็เก่าแล้วต่อไปมันก็เสียพ อ, อซ่อมไม่ได้ก็ต้องทิ้งไปร่างกายนี้เหมือนรถยนต์ใจนี้เหมือนคนขับรถยนต์คนขับรถยนต์ไม่ได้เป็นอะไรไปกับรถยนต์เวลารถยนต์เก่ารถยนต์เสียรถยนต์พังไปคนขับก็เปลี่ยนรถได้แต่เปลี่ยนก็ต้องเหนื่อย ต้องเสียเหินเสียทองชันใดร่างกายก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่พวกเรามาซือซ้อกันซื้อกันด้วยการทําบุญทําบาปกันแล้วพอได้ร่างกายมาเราก็ต้องมาดูแลรักษาร่างกายแล้วก็ต้องมาพบกับความแก่ของร่างกายพบกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย แล้วก็พบกับความตายของร่างกายทั้งของเราเองและของคนที่เรารักเช่นของพ่อของแม่ของปู่ย่าตายายของสามีของภรรยาของบุตรทิดาร่างกายของทุกคนในที่สุดก็จะต้องแก่เจ็บตายไปแต่เจ้าของร่างกายแต่ละคนนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายพ่อแม่ ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของพ่อแม่พี่น้องลูกหลานไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเขาสามีภรรยาไม่ได้ตาย เ, าเขาไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่อย่างพวกเราเดี๋ยวก็ต้องไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่เพราะต่อไปมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปถ้าเราไปหลงไปยึดไปติด ไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราก็จะทุกข์เพราะว่าต่อไปเราจะไม่สามารถพึ่งร่างกายได้นั่นเองคนฉลาดจึงเลิกพึ่งร่างกายพึ่งร่างกายไว้หาเงินหาทองเพื่อจะซื้อความสุขต่างๆอันมาพึ่งใจพึ่งความสงบของใจดีกว่าเพราะใจไม่เหมือนร่างกาย ใจไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายแต่ใจของพวกเราตอนนี้ไม่มีความสุขกันเพราะเราไม่มาสร้างความสงบให้แก่ใจเรามัวแต่ไปหาเงินหาทองกันแล้วก็ใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆกันที่ในที่สุดก็จะต้องหมดไปหมดไปก็เหลือแต่ความทุกข์ ให้เราต้องแบกถามต่อไปแล้วพอร่างกายตายไปเราก็ต้องไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็ต้องไปทุกข์กับการดูแลเลี้ยงดูร่างกายอันใหม่ทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตายของร่างกายอันใหม่ตราบใดที่เราไม่หยุดการหาความสุขผ่านทางร่างกาย เราก็จะต้องไปหาร่างกายใหม่อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเรายุติการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบกันถ้าใจสงบแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายเก่าเสียไปตายไปเราก็ไม่ต้องไปหาร่างกายใหม่เหมือนคนที่ใช้รถยนต์อยู่ทุกวัน ถ้าเลิกใช้รถยนต์ได้ถ้าไม่ต้องออกนอกบ้านได้ถ้าในบ้านมีของวิเศษที่ดีกว่าของนอกบ้านเราก็ไม่ต้องออกไปหาของนอกบ้านกันแต่ตอนนี้แต่บ้านเราไม่มีของวิเศษเราจึงต้องออกไปหาของนอกบ้านกันถ้าออกไปหาของนอกบ้านเราก็ต้องมีรถยนต์เพราะรถยนต์นเป็นเครื่องมือ ที่จะพาให้เราไปหาของต่างๆที่ข้างนอกได้เช่นเราไปซื้อกับข้าวกับป้าอาหารเราก็ขับรถไปที่ซุเปอร์มาร์เก็ตเราต้องการสินค้าอะไรเราก็ขับรถไปแต่ถ้าเรามีของทุกอย่างครบบริบูรณ์อยู่ในบ้านเราแล้วแน่ดีกว่าของที่เราจะได้จากการไปซื้อมาจากนอกบ้าน เราก็ไม่จาเป็นจะต้องออกไปข้างนอกบ้านเ mm. มื่อเราไม่ออกไปข้างนอกบ้าน mm. เราก็ไม่ต้องมีรถก็ได้รถก็จอดทิ้ไงไว้ mm. ถ้ามันพังก็ไม่ไม่ต้องซื้อใหม่เพราะเราไม่ออกไปข้างนอกแล้วเรามีของทุกอย่างที่เราต้องการอยู่ในบ้านแล้ว mm. สมัยใหม่นี้ก็บ้านเราต่อไปเราไม่ต้องออกไปนอกบ้านก็ได้สามารถสั่งซื้อของผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้หมดเลย อยากจะซื้อกับข้าวก็ซื้อได้อยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้เปิดเครื่องคอมเปิดเครื่องมือถือขอให้มีเงินจ่ายเท่านั้นสั่งมาได้หมดต่อไปจะมีคนมาส่งให้ถึงบ้านต่อไปเราไม่ต้องออกไปนอกบ้านให้เหนื่อยไปขับรถก็ไปติดรถในท้องถนนแล้วก็ต้องมาคอยดูแลรักษารถ แลก็ต้องไปเสี่ยงภัยกับอุบัติเหตุบนท้องถนนถ้าอยู่บ้านได้นี่สบายกว่าไม่ต้องมีรถก็ได้ฉันใดถ้าเรามีความสงบภายในใจของเราแล้วใจของเราก็เป็นเหมือนกับบ้านที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการความสงบนี้แหละเป็นเหมือนอแก้วดวงแก้วที่จะสามารถแก้วสารพัดนึก ที่เราจะสามารถนึกถึงอะไรก็จะได้ทันทีความสงบของใจนี้เป็นอย่างนั้นเป็นความสุขที่เหมือนกับได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องการจะได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามพอนึกถึงปั๊บก็ได้เลยนี่แหละคือสิ่งที่นักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านได้ค้นพบกัน พอท่านค้นพบแล้วท่านก็ไม่ต้องมีร่างกายอันใหม่เพอร่างกายอันเก่าของท่านตายไปท่านก็ไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ท่านอยู่บ้านไม่ต้องออกมานอกบ้านไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตาย <oui. S 1> พวกเหล่านี้ยังต้องออกจากนอกบ้านออกจากใจกันไม่สามารถอยู่ในใจกันได้เพราะว่าในใจไม่มีอะไร ในใจมีแต่ความหิวความอยากเลยต้องออกไปหาของนอกใจแต่หามาได้แทนที่จะเป็นความสุขกับกลายเป็นความทุกข์ไปทุกข์ทั้งการที่ได้ร่างกายมาร่างกายมาก็ต้องทุกข์กับการหากินหาอยู่ทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายของที่เราใช้ร่างกายไปหามา ก็เป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเวลาได้มาก็มีความสุขแต่มันอยู่ไม่นานเดี๋ยวมันก็หมดไปพอมันหมดไปเราก็มีความทุกข์กลับคืนมานี่คือการหาความสุขต่างๆที่พวกเรากําลังหากันอยู่ทุกวันนี้แทนที่จะเป็นการหาความสุขกลายเป็นการหาความทุกข์กัน เพราะว่าเราไม่มีความสุขภายในใจของเหล่านี้เองถ้าเรามีความสุขภายในใจของเราแล้วเราไม่ต้องออกไปหาอะไรต่างๆเพราะพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกท่านไม่ต้องออกไปหาอะไรเหมือนพวกเราหากันท่านอยู่ในปา่าในเขาสบายหาอย่างมากก็หาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ท้องเท่านั้นเอง ซึ่งถ้าหาไม่ได้ท่านก็ไม่เดือดร้อนปล่อยให้ร่างกายตายไปได้เพราะไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายไปเมื่อท่านไม่ต้องใช้ร่างกายท่านก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีอาหารมาเลี้ยงร่างกายก็ได้การที่ท่านยังเลี้ยงร่างกายของท่านอยู่ก็เพราะว่าท่านยังมีความเมตตา ก, กับพวกเราท่านยังสามารถใช้ร่างกายนี้ มาสอนมาบอกพวกเราให้มาหาความสุขที่แท้จริงกันให้มาหาความสงบทางใจกันพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกนี้ท่านไม่ต้องหาความสุขเหมือนพวกเราหาแล้วท่านไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขแต่ท่านใช้ร่างกายมาสั่งสอนพวกเราเพราะถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถที่จะสั่งสอนมาพูดมาคุย มาบอกวิธีการหาความสุขที่แท้จริงได้นั่นเองท่านยังต้องเลี้ยงร่างกายของท่านต่อไปด้วยการออกบินทบาตแต่ถ้าเกิดร่างกายของท่านไม่สบายหรือจะต้องตายไปท่านก็ไม่เกิดความทุกข์แต่อย่างใดเพราะท่านไม่ต้องอาศัยร่างกายเหมือนพวกเราถ้าหาอาหารมาไม่ได้ร่างกายต้องอดตายไป ท่านก็ไม่เดือร้อนที่ท่านทําอยู่นี้เพื่อพวกเราเพื่อจะได้สอนพวกเราบอกพวกเราวิธีที่จะออกจากกองทุกขวิธีที่จะเข้าสู่กองสุขที่แท้จริงวิธีที่จะทําให้พวกเราเข้าสู่กองสุขที่แท้จริงก็คือเราต้องยุติการหาความสุขทางลาบยศสารเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแล้วมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบการจะทําใจให้สงบเราก็ต้องรักษาศิ้นแปดขึ้นไปรักษาสิ้นแปก็คือการหยุดการหาความสุขทางร่างกายนั้นเองคนที่รักษาสิ้นแปดก็จะไม่มีแฟนจะอยู่คนเดียวจะไม่ร่วมหลับนอนกับแฟน ไม่ไปเที่ยวกับแฟนแล้วก็จะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไปจะรับประทานเพื่ออยู่ไม่ได้รับประทานตามความอยากรับประทานเพื่ออยู่ก็รับประทานวันละมื้อก็พอหรือถ้าสองมูก็ไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วร่างกายไม่ต้องการอาหารมากแบบที่พวกเรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้ พวกเรารับประทานเพื่อความสุขพราเกิดความอยากถ้าไม่ได้รับประทานแล้วก็จะทุกข์แต่ที่ทุกข์ไม่ใช่ร่างกายที่ทุกข์คือใจใจอยากแล้วไม่ได้รับประทานก็จะทุกข์ร่างกายไม่ต้องการอาหารเพราะร่างกายเกือบจะกลายเป็นตุ๋นไปแล้วรับประทานมากจนเกินไปแล้วหมอบอกให้หยุดกินได้แล้วเพราะเรากินตามความอยากกัน ถ้าเรากินตามความต้องการของร่างกายร่างกายจะมีหุ่นที่สวยงามจะไม่กลายเป็นตุ่มไปนี่คือเราต้องแม่หาความสุขจากการรับประทานรับประทานอาหารเพื่อเยียวยาร่างกายเหมือนกับรับประทานยารับประทานยาก็มีเว ล, เวลาแต่ถ้ารับประทานตามตันหาความอยากแล้วไม่มีเวลาอยากเมื่อไหร่ก็ต้องกินเมื่อนั้น ร่างกายจึงกลายเป็นตุ่มขึ้นมาถ้ารับประทานตามความต้องการของร่างกายแล้วรับรองได้ว่าร่างกายจะมีหุ่นที่ดีที่สวยที่น่าดูแลวไม่ต้องไปเสียเงินไปเต้นรังเต้นกลาตามฟิตเนสต่างๆเต้นไปเท่าไหร่มันก็ไม่ลดพอเต้นเสร็จก็เหนื่อยก็หิวก็ออกไปกินใหม่วิธีที่จะให้หุ่นสวยก็คือต้องรู้จัก ประมาณในการรับประทานอาหารรับประทานวันละมื้อสองมื้อก็พอแล้วอย่างพระนี่พระป่าพระพุทธเจ้าสอนให้รับประทานวันละมื้อก็พอนี่แหละคือเราต้องยุติการหาความสุขทางร่างกายกันแล้วเราจะได้มีเวลามาหาความสุขทางใจถ้าเราไปหาความสุขทางร่างกายเราก็จะไม่มีเวลามา นั่งสมาธิทําใจให้สงบเพราะเราจะต้องไปกินเวลกินอะไรกันไปดูหนังฟังเพลงกันไปดูละครไปร่วมหลับนอนกับแฟนกันเวลาที่จะมานั่งทําสมาธิก็จะไม่มีดังนั้นถ้าเราอยากจะหาความสุขที่แท้จริงคือความสุขทางใจเราต้องเลิกหาความสุขทางร่างกายด้วยการถือศีลแปด พอเราถือสินแปได้เราก็จะมีเวลาที่จะมาฝึกใจสอนใจให้สงบได้วิธีฝึกใจก็คือต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่จะทมใจให้สงบเราเรียกว่าสติสตินี้เป็นเหมือนเชือกที่จะดึงใจที่เป็นเหมือนลิงให้มาเข้าโครงให้มาอยู่ในโครงถ้าลิงอยู่นอกโครงนี้มันจะไม่อยู่เฉย มันจะเพ่นพ่านไปทุกแห่งทุกขนถ้าเราอยากจะให้ใจของเราสงบเราก็ต้องดึงใจให้เข้ามาอยู่ในสมาธิสมาธิก็คือกลงของใจวิธีที่จะดึงใจให้เข้ามาในอยู่ในกลงอยู่ในสมาธิก็ต้องมีเชือกเชือกก็คือสติเอาเชือกไปคล้องคอลิงไว้แล้วลากมันเข้ามาในกลง ถ้าไม่มีเชือกวิ่งตามจับมันไม่ทันสู้มันไม่ได้มันเร็วกว่าเราวิธีที่จะจับดึงขันเข้าแบดึงเข้ามาเน้จับเข้ามาอยู่ในกรลงต้งเอาเชือกไปดักมันไปคล้องคอมันพอคล้องคอมันได้แล้วก็ดึงมันเข้ามาสติก็เป็นเหมือนเชือกที่จะคล้องคอใจของเราให้เข้ามาสู่ความสงบสติก็เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมา ถ้าไม่มีเชื่อก็จะไม่สามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้เชื่อนี้ก็มีหลายแบบหลายชนิดด้วยกันวิธีที่เราได้ยินได้ฟังกันน่าเป็นวิธีที่ง่ายก็คือการบริกรรมพุทโธพุทโธไปให้เราระลึกถึงพุทโธพุทโธไปภายในใจเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้พอไม่คิดใจก็จะว่างจะเย็น แล้วพอเรานั่งเฉยๆใจก็จะสงบเข้าสู่สมาธิได้ถึงแรกที่เราต้องมีก็คือสติต้องฝึกสติสตินี้เราฝึกได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับพอตื่นขึ้นมาบวลืมตาขึ้นมาก็ท่องพุทโธไปเลยบริกรรมพุทโธพุทโธไม่ว่าจะลุกไปทําอะไรไปเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำไปล้างหน้าล้างตาไปแปรงฟัน ออกจากห้องน้ำมาแต่งเนื้อแต่งตัวกินข้าวรับประทานอาหารก็ให้มีพุทธโธอยู่กับใจแล้วมันจะไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเรามีเวลาว่างเราก็มานั่งหลับตาแล้วก็พุทธโธต่อเดียเด๋ยวๆใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้แล้วเราจะพบกับความสุขที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงพอเราได้ความสุขอันนี้แล้ว เราก็จะไม่อยากได้อะไรเราก็จะหาแต่ความสุขแบบนี้จะเอาความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็จะเป็นความสงบที่จะอยู่กับเราไปตลอดหลังจากร่างกายนี้ตายไปแล้วความสงบนี้ก็ยังจะอยู่คู่กับเราต่อไปนี่แหละคือวิถีทางของนักปราชญ์ของผู้ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลาย พวกเราจึงยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสลนาณะเป็นที่พึ่งวิธีที่ยึดก็คือไม่ใช่พูดแต่ปากปล่าว่าพุทธธรรสังธรมังสังขังสลรนามกฉามิอันนี้เป็นเพียงแต่เป็นการตั้งจิตตั้งเป้าไว้ว่าเราจะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งที่พึ่งก็คือต้องทำตามตเป็นตัวอย่าง ทำตามตัวอย่างของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงสารุพระพุทธเจ้าท่านเลือกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายท่านถือศีลกันถือศีลแปศีลสิบศีลสองร้ิบเกันเราก็ต้องถือศีลแบบท่านแล้วเราก็ต้องปฏิบัติแบบท่านท่านไม่ไปออกไปเที่ยวไปหาความสุขทางร่างกายท่านหาความสุขจากการทำใจให้สงบ ด้วยการไปอยู่ตามที่สงบเพราะว่าถ้าที่มีคนมากมีเสียงมีกลิ่น ม, มีลูปมีรถมากจะทำให้ใจสงบยากต้องไปอยู่ที่ไม่มีคนอยู่เงียบๆคนเดียวถ้าไปที่ข้างนอกบ้านไม่ได้ก็อยู่ในห้องของเราก็ได้ปิดประตูขังไว้ตัวเราอยู่ในห้องไม่ต้องออกไปรับรู้อะไรอยู่ในห้องพุโทโธพุโทโธไป เดี๋ยวใจก็สงบได้สงบแล้วก็จะหายหายหลงจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเน่ไม่ได้อยู่ที่เงินทองไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าไม่ได้อยู่ที่ข้าวของไม่ได้อยู่ที่ของกินของดื่มของเคี้ยวแต่อยู่ที่การทำใจให้สงบอยู่ที่การมีสติมีพุทธโธ อยู่กับใจของเราขอให้ลองไปทำดูแล้วถ้าไม่ได้ผลจะจะยอมแพ้แต่รับรองได้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้เป็นสิ่งที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นความจริงผู้ที่นำเอาไปปฏิบัติได้รับผลกันมาแล้วทำนั้นอย่างแน่นอนจึงไม่ต้องลังเลสงสัยขอให้เราทำมันเท่านั้นเถอ ถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่เกิดขึ้นสิ่งนี้มันจะต้องเกิดจากการกระทำของเราคนอื่นหยิบยื่นให้กับเราไม่ได้พระพุทธเจ้าหยิบยืนบยยบย่นให้กับเราไม่ได้พระอริยสงฆ์หยิบยื่นให้กับเราไม่ได้เราต้องหยิบให้กับตัวเราเองด้วยการทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือรักษาศีลแล้วก็ไปหาที่สง บ, บอยู่ตามลำพัง แล้วก็ฝึกพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆรับรองได้ว่าเดี๋ยวก็ได้<ม>เพราะว่าของเหล่านี้มันไม่ได้ขึ้นกับการเวลาทําเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นถ้าไม่ทําก็ไม่ได้ดังนั้นขอให้เราเอาไปพิสูจน์ดูว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านพูดจริงหรือไม่ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนที่ ที่ถูกต้องหรือไม่หรือเป็นคำโกโหกหลอกลวงรับลรลองได้ว่าเราจะเห็นว่าคำสอนของพระเจ้านี้เป็นคำสอนที่เป็นความจริงทั้งหมดเป็นสวากขาโตภค ว, วตาธรร ม, มเพราพผู้ที่ได้นำเอาไปพิสูจนนั้นได้เห็นแล้วทุกคนว่าเป็นความจริงเหมือนกันหมดยังไม่ต้องลังเลสงสยัย ขอให้นำเอาไปปฏิบัติเท่านั้นแล้วผลที่พระเจ้าได้รับก็จะเป็นผลที่พวกเราได้รับกันคือการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งปวงมีแต่ความสุขที่เรียกว่าปรมรสุขอยู่ภายในใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดจึงขอฝากเรื่องของการมาฟังเทศฟังธรรม มาเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงได้สั่งสอนเพื่อความสุขและความเจริญที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรและบุญกุศล ที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมี้แต่ความสุขความเจริญงุ่งเือ ง, องในมรรคในผลที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้